สิทธิ์วัดนํารัฐมนตรีและคณะไปยังโรงครัวซึ่งอุบาสกอุบาสิกากําลังนั่งรับประทานอาหารกันเป็นโต๊ะโตะโตะ๊ตะละประมาณสิบคนพวกเขาพากันมาเข้ากรรมฐานโดยมาส่วนตัวบ้างมาเป็นคณะบ้างบางคนก็มาเข้าสามวันเจวันบางคนก็มาอยู่เป็นเดือนและก็มีไม่น้อยที่ตั้งใจมาอยู่เจ็วันแต่พอครบกําหนดแล้ว ก็ไม่ยอมกลับเพราะซาบซึ้งในรสพระธรรมร้อนถึงสามีหรือพัรยาต้องมาอ้อนวอนขอให้กลับไปช่วยกันเลี้ยงลูกส่วนประเภทที่มาแล้วอยู่ไม่ได้เพราะไม่ถูกชะตา ก, กับพองหนอยุบหนอต้องม้วนเสือกลับบ้านไปก็พอมีบ้างแต่พวกที่มาแล้วไม่ยอมกลับนั้นมีมากกว่ารสชาติของอาหารมื้อนั้น ช่งอร่อยถูกปากคุณหญิงเสนักแม้จะเป็นอาหารพื้นๆที่ดูแล้วไม่เชิญชวนให้รับประทานต่อเมื่อได้ลิ้มลองเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าฝีมือระดับนี้หาตัวจับยากแกงหน่อไม้อร่อยจังก่อนแกงต้องเอาหน่อไม้ไปต้มก่อนหรือเปล่าจ๊ะคุณหญิงถามแม่ครัวไม่ใช่หน่อไม้หรอกค่ะคุณนั่นแกงยอดมะพร้าวค่ะ ดูแล้วเหมือนหน่อไม้รสชาติก็คล้ายๆกันใครๆก็คิดว่าเป็นหน่อไม้แม่ครัวไม่รู้ว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยเป็นคุณหญิงในตํตำรวจผู้ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือราคาแพงจึงต้องบอกว่าป้านี่คุณหญิงนะป้าขอโทษเจ้าคะ่ะคุณหญิงอีฉั้นไม่สาบจริงๆอย่าถือสาคนบ่ น, นอกขอกนาเลยนะเจ้าคะ่ะ ม่ครัวพูดพร้อมกับยกมือไหว้ปลกปลกไม่เป็นไรจ้ะแหมกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยปลาเกลือทอดเค็มกำลังพอดีแกงส้มผักกาศดองก็รสกลมกลม่อมใส่ผงชูรสหรือเปล่าจ้ะไม่ได้ใส่เจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ใส่สติแทนบอกว่าผงชูรสก่อสู้ไม่ได้เป็นยังไงจ้ะใส่สติ คุณหญิงไม่เข้าใจคือท่านให้แม่ครัวเข้ากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่คนละเจ็ดวันเวลาทำกับข้าวก็ให้กำหนดสติเจ้าข้าถึงตอนนี้คุณหญิงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจได้ยินสติปัฏฐานสี่เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอิ่มข้าวแล้วจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูสักหน่อยเรื่องอะไร จะต้องมาถามแม่ครัวให้เสียชื่อคุณหญิงรัฐมนตรีคนมากจริงนี่ค่ากับข้าววันหนึ่งหนึ่งคงตกหลายพันสินะคุณหญิงพูดพลางหันไปมองโต๊ะอื่นๆที่คนนุ่งขาวห่มขาวทั้งชายหญิงกำลังนั่งรับประทานกันอยู่เจ้าค่ะแล้วแต่แขกมากแขกน้อยก็เลี้ยงคนทั้งวัดนี่เจ้าคะบางวัน มีคนถึงห้าร้อยค่ากับข้าวก็ตกสามพันบาทฉลี่หัวละหกบาทต่อวันนี่ขนาดวันละสองมื้อนะเจ้าคะหลวงพ่อท่านให้ถือศีลแปดกันทุกคนแล้ววัดเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละจ๊ะก็มีคนมาบริจาคเรื่อยๆเจ้าคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆหลวงพ่อท่านก็ก็ทำไมจ๊ะ คนเป็นคุณหญิงอยากรู้แม่ครัวค้อมตัวลงเอามือป้องปากกระซิบว่าหลวงพ่อท่านก็เชื่อเข้ามาเจ้าค่ะพอมีเงินท่านก็เอาไปใช้เขาตายจริงแล้วพวกที่มาอยู่วัดหลายวันทางวัดไม่เก็บเงินเขาหรือไม่เก็บเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านไม่ให้เก็บท่านบอกว่าเข้ามาสร้างฟาร์มดีเราต้องสนับสนุนเขา แต่ว่าบางคนเขาก็ทำบุญให้วัดป่างเหมือนกันก็พลอยได้ประสมประเสริฐกันไปว่าก็ว่าเธอนะคะคุณหญิงคนสมัยนี้จะทำฟาร์มดีทั้งทีก็ต้องให้จ้างกันแม่ครัวออกเสียงความเป็นฟาร์มนายตำรวจที่ติดตามรัฐมนตรีแอบสังเกตว่าคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญศีลภาวนา ต่างพากันรับประทานอย่างสงบเสงี่ยมไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยพวกเขาซึ่งคุยกันเสียงดังเมื่อตอนเดินเข้ามาจึงต้องหยุดพูดไปโดยปริยายอีกประการหนึ่งรสชาติของอาหารซึ่งแม้จะมีเพียงสามอย่างหากก็อร่อยถูกปากไปเส้ทุกอย่างทำให้ปากไม่ว่างพอที่จะคุยได้เสร็จจากอาหารข้าวก็เป็นอาหารหวาน ซึ่งมีเพียงอย่างเดียวคือข้าวเม่าพลารสเลิศที่ว่ารสเลิศเพราะหวานมันเค็มพอดีพอดีคุณหญิงมีอันต้องเรียกแม่ครัวคนเดิมมาถามอีกว่าป้า จ, จะ๊ะข้าวเม่าพลาอร่อยจังทำยังไง จ, จะ๊ะฉันจะได้ไปบอกแม่ครัวที่บ้านให้ทำบ้างแม่ครัวหน้าบานอีกครั้งสาธยายว่าทำไม่อยากหอกเจ้าข่าคุณหญิง แต่ถ้าจะให้อร่อยมันต้องอาศัยแท็กติกอะไรจ้ะแท็กติกคุณหญิงเป็นงงเป็นภาษาฝรั่งนะเจ้าค่ะคุณหญิงไม่เคยได้ยินหรือเจ้าคะหล่อนออกเสียงฝรั่งไม่ได้เลยเป็นฝาหลังไปไหนลองสะกดให้ฟังหน่อยสิมีตัวอะไรบ้างเผื่อฉันจะรู้จักโอ้ยไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ อีท่านไม่ได้เรียนหนังสืออย่าว่าแต่ภาษาฝรั่งเลยภาษาไทยก็ไม่กระดิกหูเอ้าแล้วทำไมใช้คำภาษาฝรั่งได้ล่ะจ๊ะอีท่านจำเข้าหมาเจ้าค่ะแม่ครัวสารภาพสงสัยคงจะเป็นเทคนิคมังป่าคนเป็นรัฐมนตรีทวงเออเออใช่ๆค่ะนางหันไปพยักเพยิดกับรัฐมนตรี แล้วจึงหันไปพูดกับคุณหญิงว่ามันต้องอาศัยเทคนิคเจ้าคะคุณหญิงเทคนิคอะไรบ้างป้าบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๊ยทำไมจะไม่ได้ละเจ้าคะเทคนิคขั้นแรกก็คือการเลือกข้าวเม่าที่จะนำมาพลาดนั้นต้องเลือกชนิดนิมน่มๆวิธีที่จะได้ข้าวเม่านิมน่มๆ ก็ต้องอาศัยเทคนิคอีกเหมือนกันคือข้าวที่จะเอามาคั่วนั้นจะต้องเกี่ยวมาตอนมันสดสดที่เม็ดยังไม่ทันเหลืองแต่ถ้าเขียวเกินไปก็แสดงว่ายังเป็นน้ำน ม, มอยู่ใช้ไม่ได้ต้องให้สีอมเขียวอมเหลืองถึงจะกำลังดีเสร็จแล้วก็เอามานวดให้เหลือแต่มเมล็ดแล้วคั่วคั่วเสร็จ ก็ใส่ครกตําทั้งๆ ท, ที่ยังร้อนๆเอียะปล่อยให้เย็นเพราะข้าเมาที่ได้จะแข็งต้องตําร้อนๆถึงจะนิ่มเห็นไหมข้าว่าเวลาตําก็ต้องใช้เทคนิคพอตําเสร็จก็ออกมาฝัดอย่างมีเทคนิคคือต้องเก็บกา ก, ากออกให้หมดแม้เทคนิคแยะจังนะปอนะรัฐมนตรีขัดขึ้นเจ้าค่ะ ไม่งั milk, ้นก็ไม่อร่อยสิเจ้าคะจ้ะจ้ะแล้วยังไงอีกจ้ะคุณหญิงอยากรู้เมื่อฝัดเสร็จก็เอาเกลือมาละลายกับน้ําฝนที่อบด้วยดอกมะลิชิมพอให้เค็มปลาเล่มปลาเล่มอย่าให้เค็มเกินหรือจืดเกินเสร็จแล้วจึงเอาน้ําเกลือพรมเข้าเมาให้ทั่วเวลาพรมต้องใช้เทคนิคนะเจ้าคะ คือพรมให้พอหมาดมาด ถ, ถ้าแชะเกินไปเข้าเมาจะติดกันเป็นก้อนแต่ถ้าพรมน้อยเกินไปเข้าเมาก็จะนิ่มไม่เสมอกันเมื่อพรมน้ําเกลือทั่วแล้วก็หากระมังหรือฝาหม่อมาครอบหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอก็เอามะพร้าวมาขุดมะพร้าว ก็ต้องเลือกที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปเวลาขูดก็ต้องใช้กระต่ายขูดไม่ใช้เครื่องเพราะจะทำให้บูดเร็วแล้วก็ไม่ต้องขูดให้ถึงก้นกาล่าเดี๋ยวจะดูดำไม่น่ากินเสร็จแล้วจึงเอาไปคลุกกับข้าวเมาที่หมักไว้คลุกให้ทั่วๆนะโจคะเวลาจะรับประทานก็เอาน้ำตาลโรยหน้า บางคนก็นิยมรับทานกับกล้วยไข่ไม่มีกล้วยไข่จะใช้กล้วยน้ำว้าแทนก็พอได้อ้อน้ําตาลที่จะใช้ก็ต้องมีเทคนิคนะเจ้าคะคือต้องเลือกชนิดที่เม็ดเล็กๆถ้าเม็ดใหญ่ต้องนำมาป่นเสียกก่อนเวลาปน่นต้องใช้ครกที่สะอาดเพราะหากมีกลิ่นพริกหรือกลิ่นกระเทียมปน่น มันก็จะเสียฟวามอร่อยได้โจค า, าสาธยายจบก็หอบฮักๆักเพราะสี่งที่ใช้ดังเกินพิกัดไปหน่อยขับใจจ้ะป้านี่ได้ความรู้อีกแยะเลยพูดพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพิ่งจะสังเกตว่าแม้แต่น้ำก็ยังอร่อยจึงออกปากชมว่าน้ำนี่ดื่มแล้วชื่นใจจังน้ำฝนหรือเจ๊ะป้าเจค า, าหลวงพ่อทัน ให้รองไว้ในแท้งการรองน้ำฝนก็ต้องมีเทคนิคนะเจ้าคะคนเทคนิคมากอธิบายเห็นคนฟังไม่ซักจึงพูดต่อไปว่าคือตกหนนแรกหนนสองอย่าเพิ่งไปรองเพราะฝุ่นละอองอยังไม่มดต้องหนนสามหนนสี่ถึงจะใช้ได้ดังนั้นนอกจากจะอิ่มท้องแล้ว คุณหญิงยิงได้เทคนิคการทำข้าวเม้าพล่าเป็นของแถมอีกด้วยอารมณ์เธอจึงดีขึ้นเรื่อยๆและไม่ขัดข้องที่สามีจะกลับไปคุยกับท่านพระครูอีกเธอเองก็เริ่มจะสนใจท่านพระครูมีอะไรอะไรที่พิเศษไปกว่าพระที่เธอเคยรู้จักหลังอาหารกลางวันคณะของครูสริตกลับไปปฏิบัติต่อ อย่างศาลาที่พักเวลาสองทุ่มท่านพระครูนัดให้ไปสอบอารมณ์และจะสอนเดินจงกรมระยะที่สให้วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านก็จะสอนเดินระยะที่ห้าและที่หพวกเขาจะรู้จักวิธีเดินจงกรมทั้งหระยะภายในสามวันท่านพระครูท่านยืดหยุ่นได้เสมอกระนั้นท่านก็ต้องดูพื้นฐานและความสนใจของผู้เรียนด้วยว่า จะรับไหวหรือไม่รับประทานอาหารกันเป็นที่อิ่มหนำสำราญแล้วรัฐมนตรีจึงนำคณะของตนกลับมายังกุฏิเจ้าอาวาสอีกครั้งท่านพระครูรู้ว่าวันนี้จะต้องเล่าเรื่องคุณนายลำใหญ่จึงให้ลูกศิษย์วัดไปตามพระโบหีออกมาฟังด้วยแล้วคุณเจ้าไม่รู้สึกหิวหรือครับนายตำรวจถามเพราะตัวเขาแม้จะรับประทานวันละสามมือ้อ ก็ยังต้องหาอะไรรองท้องแทบทุกครั้งก่อนเข้านอนไม่หิวออตมาถินแล้วสมัยเดินทุดงในป่าดงพยาเย็นเคยอดเจ็ดวันเจ็ดคืนติดติ ด, ตดกันยังอยู่ได้ท่านพระครูตอบพระคุณเจ้าคะอีฉันสงสัยจังคะว่าพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้คิดอะไรหรือมีความเป็นมาอย่างไร คุณหญิงถามขึ้นอาตมาก็ใช้เห็นหนอนะสิคุณหญิงสนใจไหมเหล่าสนใจคะ่ะทำยังไงคะไม่ยากหรอกคุณหญิงวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้แต่ต้องทำจริงๆทำไม่จริงก็ไม่ได้วิธีที่ว่าก็คือให้เจริญสติปัฏฐานสี่พอสติดีถึงขั้น เห็นหนอก็เกิดเองอย่าลืมว่าเห็นหนอนี่มีค่ามาหาศาลทีเดียวใช้ดูกฎแห่งกรรมได้ชัดเจ้าเลยดิฉันขอเรียนวิชาที่ว่านี้ได้ไหมคะหรือว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนได้ทั้งนั้นขอให้มีจิตกับกายก็แล้วกันถ้าคุณหญิงอยากเรียน ต้องมาเข้าชั้นเรียนที่วัดนี้อย่างน้อยเจ็ดวันแล้วกลับไปฝึกต่อที่บ้านจนกว่าจะได้อาตมาจะเล่าเรื่องคนที่ได้เห็นหนอให้ฟังอยากฟังไหมอยากฟังครับอยากฟังค่ะทุกคนตอบขึ้นพร้อมกันเอาละ่ะอยากฟังก็จะเล่าเรื่องคุณนายลำใหญ่ให้ฟัง คุณนายลำใหญ่แกเป็นเมียครูวงบ้านอยู่อ่างทองครูวงเป็นครูประชาบาลจังหวัดอ่างทองสอนวิชาศิลธรรมแต่กินเหล้าเมาทุกวันนอกจากกินเหล้าแล้วยังจู้จูอีกด้วยส่วนคุณนายลำใหญ่ก็ปากจัดดาไฟแลบเลยแกอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่เคยเรียน วันหนึ่งแกมาหาอาตมามาฟ้องเรื่องผัวเจ้าชู้อาตมากับครูวงรู้จักกันดีแกมาที่วัดนี้บ่อยๆพอคุณนายลำใหญ่มาฟ้องอาตมาเลยบอกแกว่าถ้าอยากให้ผัวเลิกเจ้าชู้ต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัดเจ็ดวันคุณนายลำใหญ่ก็มาอาตมาก็สอนให้แก จเจริญสติปัฏฐานสี่ปรากฏว่าแกทำไม่ได้เลยเดินจงกรมก็ไม่ได้ขวาย่างเป็นซ้ายย่างซ้ายย่างเป็นขวาย่างเพราะแกไม่รู้กระทั่งว่าข้างไหนเท้าซ้ายข้างไหนเท้าวขวาอาตอมาก็ลองให้แกนั่งสมาธิด้วยการกำหนดว่า พองหนอยุบหนอแกก็ว่าทำได้สบายมากแล้วแกก็นั่งขัดสมาธิปากก็ว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอว่าเสียงดังเฉียวแต่พออาตมาถามว่าพองท้องเป็นยังไงยุบท้องเป็นยังไงแกก็ไม่รู้เรื่อง อาตมาก็จนปัญญาจึงถามแกว่าท่องพุทธคุณได้ไหมแกก็ว่าไม่ได้อีกเลยบอกให้แกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นให้มาใหม่เอาลูกมาด้วยคนหนึ่งแกก็กลับไปรุ่งขึ้นแกก็มากับลูกชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มแล้วอาตมาก็ให้ลูกแกจดบทสวดพุทธคุณธรรมคุณ สังคคุณและพาหุงมหากาและบอกไปสอนให้แม่ท่องท่องได้แล้วให้มาหาลูกแกก็ไปสอนแม่ท่องวรรณ ค, คําสองคาหายไปเดือนหนึ่งแกก็กลับมามาท่องให้อัตมาฟังได้อย่างถูกต้องและมม่นยำอัตมาก็บอกว่าดีแล้วทีนี้เวลาไหว้พระสวดมนต์ ให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณและพาหุงมหาการหนึ่งจบแล้วท่องพุทธคุณอย่างเดียวเท่าอายุบวกหนึ่งแกอายุห้าบสองก็ให้ท่องวันละห้าบสาแรกแรกแกใช่นับเม็ดมะขามเวลาท่องพอสติดีขึ้นก็จำได้ไม่ต้องนับเม็ดมะขาม พอดีขึ้นอีกแกบอกแกท่องได้วันละร้อยแปดจบโดยไม่ต้องนับเม็ดมะขามเพราะสติมันบอกเองรู้เองเหมือนกับที่เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้จับเวลาตอนนั่งสมาธิพอสติดีรู้เองไม่ต้องใช้นาฬิกาเมื่อสติดีขึ้นดีขึ้น แกก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติคือแกมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวส่งขายโรงฆ่าสัตว์แกก็เลิกเพราะสติมันบอกว่าเป็นมิจฉาอาธิวะที่เคยด่าเป็นไฟแลบก่อนเลิกต่อมาแกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอน มันเป็นเองโดยอัตโนมัติเพราะสติดีถึงขั้นแกเดินจงกรมวันละสองชั่วโมงนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงทําอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอย่าลืมพอสติดีส่อย่างอะไรอะไรมันก็ดีหมดท่านพระครูเน้นแล้วจึงเล่าต่อว่าวันหนึ่ง ครูวงผัวแกโกหกว่าจะไปเก็บค่าเช่านาที่ชัยนาทแต่ที่แท้ไปหาเมียน้อยซึ่งเป็นแม่ไม้ยอยู่ที่ปากน้ำโพหายไปสี่วันขากลับให้เงินแม่หมยไว้สามร้อยคุณนายลำใหญ่แกอยากรู้ว่าผัวไปไหนแกก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิ อย่างละสองชั่วโมงขณะที่จิตเป็นสมาธิแกก็อธิษฐานว่าขอให้แก่ได้ตาทิพย์แกอยากรู้ว่านายวงไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอธิษฐานจิตเสร็จแกก็กําหนดเห็นหนาเห็นหนาแล้วแกก็เห็นหมดว่าผัวไปทำอะไรที่ไหน ท่านหยุดเล่าและถามขึ้นว่าคุณหญิงว่าดีไหมเรียนเห็นหนอไว้คอยตรวจดูว่าท่านรัฐมนตรีไปไหนดีค่ะดิฉันสงสัยอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าที่เขากลับดึกๆดื่นๆอยู่บ่อยๆนั้นแอบไปจุ๋งจิ๋งกับอินูบ้างหรือเปล่าคุณหญิงได้ทีเลยขี่แพะไล่ผมไม่มีหรอกครับเพราะคุณเจ้าคุณหญิงตามแจ๊ะ ไม่ยอมให้คลาสายตาออกอย่างนี้คนเป็นรัฐมนตรีกล่าวแก้เลยถูกพัญญาข้างคอนใส่เอาละมาฟังเรื่องคุณนายลําใหญ่กันต่อเป็นอันว่าแก่รู้หมดเพราะเห็นหนอบอกเมื่อครูวงกลับมาแกก็ชี้หน้าแต่ไม่ด่าเพราะเลิกด่าแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ด่าแหลกเลย เดี๋ยวนี้แกไม่ด่าแต่กดเท้าสะเอวชีหน้าแกไปไหนมาครูวงตอบว่าอ้าวก็ไปเก็บค่าเช่านาที่ไชนาดไงแล้วไหนล่ะค่าเช่าครูวงก็ตอบอึกอึอักอั ก, อกว่าเขาเออเขาขอผัดไปเดินหน้าคราวนี้คุณนายลําใหญ่ก็เลยสั่งสอนผัวเส้นเลยว่าต้าวง แกน่ะเป็นครูสอนศิลธรรมเสยเปล่าแต่ตัวแกไม่มีศิลธรรมเอาเส้นเลยทั้งขี้เล่าเมายาเจ้าชู้ประตูดินมูหมาเกี่ยวสิ่นไม่เลือกหน้าแถมยังโกหกพกลมอีกข้ารู้นะว่าแกไม่ได้ไปเก็บค่าเช่านาแต่ไปหาเมียน้อยที่ปากน้ำโพให้เงินมันไปสามร้อยจริงไหมครูวงก็นึกในใจว่าเอ เมี่เรารู้ได้ยังไงนะสงสัยท่านพระครูวัดป่ามะม่วงบอกพรุ่งนี้จะต้องไปต่อว่าสักหน่อยนี่ครูวงคิดอย่างนี้น้อยแนมาโทษอาตมาได้ท่านพระครูพูดขันขันจากนั้นจึงเล่าต่อพอครูวงคิดจะมาต่อว่าอาตมาคุณนายลําใหญ่ก็รู้เสี อ, อีกเลยดุเอาว่านี่แก ไม่ต้องไปโทษหลวงพ่อนะท่านไม่ได้บอกค่าข่ารู้เองครูวงก็ไม่เชื่อรุ่งเช้าก็มาถามอาตมาอาตมาก็ปฏิเสธผลสุดท้ายครูวงต้องยอมจำนนเลิกกินเหล้าเลิกเจ้าชู้หันมาถือศีลกินเพนเลยกลายเป็นคนดีไปเลยท่านรัฐมนตรีเห็นด้วยหรือยังว่า เห็นหนอนั้นมีค่ามหาศาลทีเดียวเห็นด้วยครับดีเห็นด้วยนะดีแล้วจะได้เล่าต่อถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วท่านจึงเล่าต่อไปอีกว่าในการต่อมาคุณนายลําใหญ่ก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ลําไส้หมอบอกว่าแก่จะต้องตายภายในหนึ่งเดือน รักษาไม่ได้เพราะเป็นมากอาจเจียนและถ่ายเป็นเลือดแกก็มานอนป่วยที่บ้านนอนเจริญสติปัฏฐานสเพราะเดินไม่ไหวนั่งไม่ไหวแกกำหนดปวดเนาะปวดเนาะเพราะมะเร็งนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ปวดทั้งนั้นคุณนายลําใหญ่แกก็ใช้สติสู้กับทุกขเวทนา และตั้งสติอธิษฐานจิตว่ายังไม่อยากตายเป็นห่วงลูกขอให้ลูกเรียนจบได้งานได้การทำก่อนค่อยตายที่บ้านแกมีพึ่งหลวงมาอาศัยทำรังอยู่บนหลังคารังใหญ่เท่ากระดง้งวันหนึ่งลูกๆห้าคนก็มากันพร้อมหนะ้าแกก็บอกลูกว่าลูกดูนะ แม่จะแผ่เมตตาให้พึ่งและบอกให้เขามาช่วยดูดพิษมะเร็งให้แม่แล้วแกก็หลับตาสักพักก็ลืมตาพูดดังๆว่าพึ่งจ๋าช่วยข้าหน่อยข้าปวดเลอกเกินช่วยมาดูดพิษมะเร็งออกให้ข้าด้วยพอแกพูดจบพึ่งก็บินมาฟูงหนึ่งมาเกาะที่ท้องแก่ช่วยดูดพิษให้ ดูดเสร็จก็ร่วงลงมาตายเกลื่อนพื้นเลยวันต่อมาก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขณะที่แกนอนอยู่บนแคร่ใต้ทุนลูกลูกนึกว่าจะมากัดแม่ก็เตรียมจัดฆ่าแต่แกห้ามไม่ให้ฆ่าแกแผ่เมตตาให้งูแล้วพูดว่างูเอ๋ยช่วยมาดูดพิษมะเร็งให้ข้าหน่อย งูตัวนั้นก็เลื้อยมาบนท้องแกทําท่าเหมือนกัดที่แท้ไม่ได้กัดแต่ดูดมะเร็งให้แล้วเลื้อยออกไปได้สักสามสี่ว่าแลนอนตายตรงนั้นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยลูกๆกแกก็เอาไปฝังเป็นเรื่องอัศจรรย์มากพวกนักข่าวจะมาขอเอาไปลงหนังสือพิมพ์แต่อาตมาไม่อนุญาต เพราะถ้าคนอ่านเข้าเกิดไม่เชื่อก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ ป, ปรากฏว่าคุณนายลำใหญ่อยู่ต่อมาได้อีกสามปีกระทั่งลูกๆเรียนจบเข้างานได้หมดแก่ก็ตายนี่ศพยังมาเผาที่วัดนี้พูดพลางที่ให้ดูเมนซึ่งอยู่หน้าวัดวันเผาศพแก่ยังแสดงฤทธิ์อีกนะ คือวันนั้นอาตมาไปทุระกาหนดเขาจะเผาห้าโมงเย็นอาตมามาไม่ทันเขาก็ไม่รอพอห้าโมงตรงเขาก็จุดไฟปรากฏว่าเผาเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมไหมไฟก็ไม่ยอมติดอาตมากลับมาถึงประมาณทุ่มหนึงก็เลยไปจุดไฟปรากฏว่าไม่เรียบ อ, อาตมาก็นึกถึงคำพูดของแกตอนก่อนตายว่าหลวงพ่อต้องเป็นคนจุดไฟนะไม่งั้นฉันไม่ยอมไหม่เด็ดขาดนี่แหละเรื่องของคุณนายลาใหญ่อาตมาเล่าย่อๆนะนี่ท่านเล่าละเอียดวันนี้ไม่จบหรอกทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างเงียบกันไปพักหนึ่งแล้วคุณหญิงจึงถามขึ้นว่า พระคุณเจ้าคะสมมุติมีคนด่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะโกรธเขาไหมคะโกรธทําไมเขาด่าเขาก็บาปอยู่แล้วถ้าอาตมาโ ก, กรธก็ต้องบาปไปด้วยอีกคนนะสิแล้วถ้าเขาขอขมาลาโทษจะยังบาปอยู่ไหมคะถ้าคนถูกด่าเขาอโหสิกให้ก็ไม่บาปแต่กรรมบางอย่างก็โหสิกให้กันไม่ได้ เช่นกรรมที่เป็นครุกกรรมหรือที่เรียกว่าอนันตฤยกรรมซึ่งมีห้าอย่างคือมาตุฆาตฆ่าแม่ปิตุฆาตฆ่าพ่ออรหันตฆาตฆ่าพระอรหันตโลหิตุประบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตหอกขึ้นและสังฆเพศ การยุยงสงให้แตกกัน5อย่างนี้อาโหสิให้กันไม่ได้เพราะเป็นกรรมหนักและไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นมาแทนที่เหมือนที่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ถือโกรธแต่พระเทวทัตก็ต้องตกนรกเพราะทำกรรมหนักไว้ถึง2 อ, อย่างคือ นอกจากทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วยังทำสังฆเภทอีกด้วยหรือเหมือนกับที่ลูกฆ่าแม่แม่อโหสิให้แต่ลูกก็ต้องตกนรกเพราะเป็นกรรมหนักอโหสิให้แล้วผู้กระทำก็ยังไม่หมดบาปคุณหญิงเกิดกลัวบาปกลัวกรรมเพราะแอบด่าท่านในใจเมื่อตอนเช้าจึงตัดสินใจสารภาพผิด พระคุณเจ้าที่เคารพดิฉันแอบด่าพระคุณเจ้าในใจเมื่อตอนเช้าดิฉันขออโหสิค่ะพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งอัตมาอาโหสิให้คุณหญิงตั้งแต่ตอนที่คุณหญิงด่านั่นแล้วยังไรก็ตามอาตมาขอชมเชยในความกล้าหาญของคุณหญิงคนที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดนั้น หาได้ยากอาตมาขอชมเชยคุณหญิงด้วยใจจริงคุณหญิงปลาบปลื้มซสียจนน้ำตาไหลท่านพระครูจึงชักชวนคุยเรื่องอื่นเสียวันนั้นรัฐมนตรีและคณะออกจากกุฏิท่านพระครูเอาเมื่อตอนพลบค่าคุณหญิงถวายเช็คเงินสดแก่ท่านพระครูเป็นค่าอาหารพระเนนและผู้มาเข้ากรรมฐาน จำนวนเงินที่ระบุในเช็คค่อนข้างมากซึ่งถ้าหากนำไปซื้อทองก็จะได้ทองหนักถึง12บาท2สลึง